ที่ชื่อว่าผู้กำหนัดได้แก่ชายมีความยินดีเพ่เพงเลงมีจิตรักใคร่ที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้แต่เป็นชายที่รู้เดียงสาสามารถที่จะกำหนัดได้ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะห้าน้าและไม้ชําระฟันนอกนั้นชื่อว่าของเคียว ที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือข้าวสุก ข, ขนมสดข้าวตูปลาเนื้อภิกษุณีรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัตทุลใจฉันต้องอบัตสังฆทิเศตทุกๆคำกลืนคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัดเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคาว่าปัทมาปฏิกะคือต้องอบัตพร้อมกับการล่วงละเมิด วัตถุโดยไม่ต้องสวดชำรภาพคำว่านิสรณียได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังคาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาทิเศษภิกษุณีรับประเคนน้ำและไม้ชาราฟันต้องอาบัตทุกกฎเมื่อฝ่ายหนึ่งกาหนัดรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกก